พระธรรมเทศนาแผ่นที่60ลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่11ตุลาคม2554มีชื่อเรื่องว่าโอวาทธรรมวันตักบาทเทโววันนี้เป็นวันที่ส1อ วันที่สิอดตุลาพุทธศักราช2554วันนี้เป็นวันปงแล้วนะทีนี่นะคันธะัตไทญาติโยมลูกหลานนะวันพุ่งนี้ก็เป็นวันปวารณาออกพรรษาละพระสงฆ์จะปะวารณาออกพรรษาแล้วก็วันนี้เป็นวันตักบาทเทโวเทโวก็คือพระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึง ไปโปรดพระมารดาที่เป็นเทวบุตรอยู่ชั้นสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็พระพุทธองค์เสด็จขึ้นไปอยู่ชั้นดาวดึงชั้นพระอินท์พระมารดาของพระพุทธเจ้าก็เสด็จลงมามาฟังพระธรรมเทศนาที่ชั้นดาวดึงสามเดือนพระพุทธองค์ขึ้นไปเทศสามเดือนพระพุทธองค์ไม่ขยับเลย นั่งเหมือนพระพุทธรลกเนี่ยนั่งเนี่ยพูดเป็นธรรมะพราะเทวดาเนี่ยอายุยืนเลนั่งแป๊บเดียวเท่านะให้เข้า่าสวรรค์ชั้นจาตุมเลยชั้นต่ำร้อยปีในเมืองมนุษย์เท่าเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นจาตุมแล้วก็วันร้อยปีในชั้นจาตุม เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของชั้นยาม า, าร้อยปีในชั้นยามาจึงเท่าวันหนึ่งคืนหนึ่งกับชั้นดาวดึงลักษณะอย่างนั้นทีนี้พระพุทธองค์ขึ้นไปอยู่ชั้นดาวดึงแต่เมืองเราเนี่สามเดือนแต่เทวดาขึ้นไปนั่งคงไม่พลิกข้างเท่านั้นเองเหมือนกันเถอยังไม่พลิกข้างอยู่ยงนเถอะสามเดือนแล้ว แต่ในพระพุทธองค์เป็นมนุษย์ท่านทํำยังไงพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าเมื่อขึ้นไปแสดงธรรมโปรดพระมารดาเรียกว่าสวดเรียเทศเรื่องอภิธรรมอภิธรรมทั้งหมดเนี่ยคือโปรดเทวดาโปรดพระมารดาคืออภิธรรมตอนนี้พระองค์ขึ้นไปแล้วก็พระองค์อธิษฐานคือว่านิลมิตรพระองค์บอกว่าให้เรา เป็นพระ พ, พ, พุทธปฏิมาและเป็นผู้ให้ธรรมอ่เป็นผู้ให้ธรรมให้ธรรมะแต่พระองค์ก็ขึ้นไปบางบางครั้งก็ขึ้นไปขึ้นไปประเทศพอเทศเจ้วพระองค์จะไปฉันอาหารเข้ไปละพระองค์ก็ตรงเข้าอาห้องน้ําห้องส้วมเหมือนกันเลยเอีท่านจะไปที่ไหนอย่างเนี่ยพระองค์ก็ให้พระพุทธรูปเนี่ยเป็น เป็นองค์แทนพระองค์เป็นองค์แสดงธรรมต่อแต่พระองค์ก็ต้องมาบิดทบบาทฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเขเอาขึ้นไปก็เป็นองค์จริงพูดทากว่าจะออกไปทุ่ละเอาองค์องค์ปลอมเข้ามาเทวดาเหมือนเราองค์จริงองค์ปลอมเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันอพระพุทธองค์นี่มีอิทธิฤทธิ์กว่านี่เทวดาเลยนี่แหละพระพุทธองค์อยู่สามเดือนแต่ตอนนี้มีคนถามว่า พระพุทธองค์ไปบินธบตัตที่ไหนพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าทวีปใหญ่มีอยู่สี่ทวีปในจักรวาลทวีปน้อยสองพันเป็นบริวารทวีปใหญ่ก็คือสมภูทวีปอุดรครุทวีปอะไรเนี่ยนะหลงพ่อจะจำได้แต่คู่คนต่างกันอุดรนสมภูทวีปของเราเนี่ย หน้าตาเหมือนกับลิงหน้าตาน่าบอกเหมือนลิงแต่ทวีบหนึ่งหน้าเหมือนกับใบโพหน้าเหมือนกับใบโพน่ะมากแหลมแหลอย่างนั้นนะหน้าบานบานแบนแบนแต่คางแหลมเหมือนกับใบโพแต่ทวีบหนึ่งหน้าเนหน้าเหมือนผานไถ่เออแต่ทวีบหนึ่งหน้ากลมเหมือนกับดวงเดือนเหมือนกับเดือนหน้าแบนเหมือนเดือนอย่างนั้นอ่ะหน้ากลม แต่พวกเราคิดคิดดูสิว่าทั้งสีทวีปทวีปไหนจะสวยกว่ากันวะอทวีปไหนจะสวยกว่ากันไอ้คนทั้งสีทวีปเนี่ยทวีปปัตตวีปชมพูทวีปเหมือนลิงไงเหมือนลิงหน้าเหมือนลิงใช่มนุษย์เหมือนกับหน้าลิงแต่ทวีปหนึ่งเนี่ยมันหน้าเหมือนใบโพล์ออีกทวีปหนึ่ง หน้าเหมือนผานไทยปิดๆเหมือนเหมือนผานไทยเอกทวีปหนึ่งหน้าเหมือนพระจันทร์หน้าเหมือนพระจันทร์หน้าแบนเหมือนพระจันทร์กลมเด็กอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็คือเทวไอซุนผูทุกไอทวีปทั้งสี่ทวีปใหญ่ปีทวีปน้อยสองพันเป็นบริวารสรุปแล้วก็คือเนี่ยโลกมนุษย์ของเราก็เหมือนกับพระจันทร์อ่า แล้วเรามองขึ้นไปท้องฟ้าดูสิกลางคืนมันมากขนาดไหนจั ก, กรวาลมนุษย์ของเราไปได้แต่โลกพระอังคารกับโลกพระจันทร์เท่านั้นว่าตัวเองเก่งแล้วดาวที่บริวาร น, นอกจากพระอังคารนอกจากดาวพระอังคารนอกจากดวงจันทร์ไปแล้วมีมากไหมจนนับคาลนาหาประมาณไม่ได้ คำว่าใหญ่มากเปนกันสองขึ้นไปใกล้เท่าไรยิ่งส่องยิ่งใหญ่ดาวแต่ละดวงนั้นสรุปแล้วคือคือเป็นทวีปในหัวพระองค์ขึ้นไปโ ป, ปรดพมารดาที่ชั้นันดาวดวงหึงพอโปรดเทศโ ป, ปรดพมารดาอภิธรรมมีแต่พูดอภิธรรมพระเทวดาไม่มีไม่มีตาหูจมูกลิ้นกาย เหมือนกับมนุษย์เนี่ยเมือนมนุษย์เนี่ยพระพุทธองค์เทศไวตาไปทบกระทบรูปหูไปกระทบเสียงสัมผัสต่ตางๆ ต, ตาหูจมูกร่านกายใจมีมีทุกนาคะโทสะโมหะอันนี้พระพุทธองค์เทศมนุษย์อีกแบบหนึ่งพอไปเทศให้เทวดาอีกท่านผู้ท่านเทพอีกแบบหนึ่งเทศเทวดานี่นะกุศลธรรมมาอักกุศลธรรมมาอัพยาคตาธรรมมา อันนี้คืออริธรมรมกุสลาธรรมาจิตที่เป็นกุศลอกุสลาธรรมาจิตที่เป็นอกุศลอัพยาคตาธรรมาจิตที่เป็นกลางกลางไม่ไม่บาปไม่บุญไม่ทําดีไม่ทําชั่วอันนี้เป็นว่าอักบยาพยาคตาจิตเนี่ยหลวงพ่อองค์ไปอ ธ, อธิบายเรื่องเนี่หลวงหัวข้อใหญ่ขยายอะไรทีนี้จิตยังไงที่เป็นกุศลจิตยังไงที่เป็นเป็นอกุศลเอ ปฏิบายจะจิตตั้งหกสิบเจ็ดสิบดวงเเนี่ยน่ยท่านอธิบายอยู่ชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงพอออกพรรษาวันพุ่งนี้แหละเ่พระพุทธองค์พระพระุทธองค์ก็เส ด, ด็จลงมาจากสั้นดาวดึงเออลงมาเบื้องสังกัสานคอนี่ที่พวกชาวบ้านทั้งหลายไปรวมกันอยู่ที่นั่นเพื่อจะได้เห็นพระพุทธเจ้า ไปรวมกันชุ่ที่เมืองสังขสานนครเอ๋ไปว่าตั้งตรงตั้งเต็นตั้งประลงปรลํลำคอยรับพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นพระพุทธองค์บอกว่าจะเสด็จลงที่เมืองสังขสานนครในวันเปรวนาออกพรรษาเพราะฉะนั้นพวกชาวบ้านพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าก็เลยเป็นรวมกันอยู่ที่นั่นตอนนั้นวันนี้แหละพระพองค์เสด็จลงมาจากชั้นดาวดึง เรียกว่าเป็นบันไดลงมามีเทวบุตรเทวดาอินพรมแห่แห่นลงมานะลงมาที่เมืองสังกัสรคนครวันนี้จึงถือเป็นประเพณีอวันพุธนี้นะจะถือเป็นปร ะ, ประเพณีว่าตักบาทเทโว่คือเป็นวันตักบาต ท, ที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงโปรดพระมารดาของพระพุทธองค์อนะนี่แหละขณะพระพุทธองค์เป็น พระพุทธเจ้าสยามภูรู้แจ้งโลกทุกอย่างพระพุทธองค์ก็ยังไม่ลืมพระมารดาเห็นไหมมาจุดนี้นะพระพุทธองค์ยังไม่ลืมพระมารดาของพระองค์พระองค์ประสูติขึ้นมาได้เจ็ดวันนางสิทธิมาหามายาก็สวรรคตพระอบพระพุทธองค์ยังแบเบาะอยู่แต่พระมารดาสวรรคตไปอยู่ชั้นรุสิทธิ์ในเมื่อพระพุทธองค์ได้ ทรงผนวดได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่ออายุสามสิบหกปีพระพระองค์เสด็จออกไปบวชอายุยี่สิบปีไปบำเพ็ญอยู่หปีจนได้สำเร็จก็คืออายุสามสามสิบห้าสามสิบหกจากนั้นพระองค์ก็อายุเท่าไหร่ที่เสด็จขึ้นไปชั้นดาวดึงหลวงพ่อเคยจำไม่ได้พรรษาที่เท่าไหร่ของท่านนะ แต่ว่าพันศาหนึ่งใน45ห้าพันศานั้นนี่แหละอันนี้ก็คือท่านไม่ได้โยมไม่ได้ทิ้งโยมมารดาของท่านถึงจะไปเป็นเทวดาพระพุทธองค์ก็ยังล้ำลึกถึงพระคุณที่พระพุทธองค์ได้ร่างกายมาเนี่ยเพราะมารดาของพระพุทธญาของมารดาของพระองค์พระองค์จึงล้ำลึกถึงพระคุณพระคุณของมารดาส่วนพระบิดา เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้โปรดคณะสัตยาญาณโยมในกรุงราชคฤห์และกักรุงสาวัตถีจากนั้นพอสมควรแล้วก็พระพุทธองค์ได้เสด็จมากรุงกบิลพัทจากนั้นได้โปรดพระบิดาพระปิดาก็ า, าได้สำเร็จพระโสดาบันเป็นอันดับแรกต่อมาเทศโปรดอีกได้สาเร็จพระอนาคาพอที่พระพุทธองค์พอ ครั้งสุดท้ายที่พระเจ้าจุโธธนะจะสวรรคตพระพุทธองค์กับพระลาหุนพระอานนุ์เข้าไปไปโปรดพมานพระบิดาในห้องบรรทมเลยนะก็ไปโปรดในห้องบรรทมเลยพราพระองค์พระเจ้าจุโธทนะป่วยหนักพอโปรดไปเทศพระเจ้าจุโธธนะได้สําเร็จเป็นพระอรหันในห้องบรรทมพระพุทธองค์บอกว่าส่ง ส่งพระบิดาถึงฝั่งแล้วแอบส่งพระบิดาถึงฝั่งแล้วหายห่วง น, นั่นก็กลับลงมาออกมาเพราะพระเจ้าจุธโทธนะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในช่วงที่ขณะที่ป่วยหนักนี่แหละพระพุทธองค์ท่านไม่ได้มองข้ามบิดามารดาของท่านจนโปรดจนท่านได้สาเร็จเป็นพระอรหรันต์นะแต่ทันนี้พระเจ้าจุธโทธนะเมื่อท่านล่วงนับดับขันไป จะว่าท่านจะว่าท่านสวรรคตไม่ได้นะจะว่าท่านสวรรคตไม่ได้ต้องพระเจ้าจุดโทธนะปริณิพานฮะออปริณิพานไม่ใช่ไม่ใช่สวรรคตนนี่แหละอันนี้ก็คือพุท ธ, ธองค์ของเราที่ว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันปวารณาออกปรรษาส่วนพระสงฆ์ถึงอย่างเมื่อคือนหลวงพ่อก็ได้ซอมพระสงฆ์เหมือนกัน วันออกพรรษาประวัรณาย่างไรก็นั่งประยงเหมือนก็นั่งเราไหว้พระเนี่ยแหละเหมือนกับผู้ชายไหว้พระนั่งกระยงแล้วก็ปนมมือแล้วก็กล่าวประวัรณาตนประวัรณาตัวเองต่อคณะสงฆ์สร้างคำอวุโสปวารมีมสร้างคำพันเตปวารมีมดิเทนาวาจุเตนาวาคือความแปลและความหมายว่ากระผมได้ทําสิ่งใดลงไป ไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยไม่เป็นที่สบายใจของหมู่คณะไม่เป็นที่สบายใจของพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันขอพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกองค์ว่ากล่าวตักเตือนผมได้ผมยินดีรับฟังและก็รับปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่เป็นธรรมนั้นก็ผมขอปรวรรณตัวจากนั้นก็ น, นั่งลงองค์ที่สองกับโพดขึ้นมาอีก สร้างคำพันเตปวารีนไม่เหมือนกันอประวัรณาจนถึงองค์สุดท้ายนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตั้งหลักพระธรรมวินยัยให้กล่าวว่าพวกเราอยู่ด้วยกันนไม่ใช่ว่าจะถูกทุกคนไม่ใช่มันมีมีผิดมีถูกแต่ถึงยังไงก็ต้องประวัติาตัวอมันต้องมองมันต้องมองกันการอยู่ด้วยกันต้องมองกัน อันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรไม่ใช่สิ่งไหนที่ไม่ถูกใจของตัวเองก็หาเรื่องโจยแยงทำให้หมู่คณะระแวงแ g e r ใจกันทำให้แตกแยกสามัคคีในหมู่ในคณะอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของการอยู่ด้วยกันการอยู่ด้วยกันต้องมีอะไรเกิดขึ้นไม่เหมาะสมอย่างไรออกมาพูดออกมาชี้แจง ว่านี่เห็ุอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ในหมู่คณะทุกอง์ก็พร้อมที่จะภาวณาตัวอยู่แล้วถ้าว่าตัวเองทำไม่ถูกสงจะเป็นผู้ตัดสินครูบาอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าจะเป็นผู้พิจารณาว่าควรจ ะ, จะทำอย่างไรอไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วความไม่พอใจเกิดขึ้นทิปผิดใจตัวเองแต่ก็มัวเมียออกมามาพูดมันไม่ถูกนะ ลักษณะอย่างนั้นลักษณะหมาบ้าะเป็นหมาหดูด้วยกันดีๆพอเป็นบ้าขึ้นมา ก, กัดดะไปหมดนะเออพอกัดไปหมดจะทํำยังไงเจ้าของบางทีก่อนโดยมากเขาทาไม่มีคุณธรรมบ้านเจ้าของไม่มดีดคุณธรรมก่อนฆ่าหมาทิ้งนะบางทีก็เตลดเิดเปิดเปิงไปกัดดะไปหมดเจ้าของก็ไม่ถือว่าเป็นเจ้าของได้เลย หมาใครไม่รู้ไม่รู้เป็นโหมาใครที่แท้เป็นหมาตัวเองคะเออแต่หมาบางคนที่มีคุณธรรมในจิตใจสงสารหมาแล้วก็มีเงินพอสมควรก็หาโซ่เส้นใหญ่ๆผูกอ็ไวเออมันไม่กินน้ำไม่มีไม่กินอาหารละหมาบ้านเออมีแต่ตาเขียวปัดใครไปใกล้ก็ไม่ได้นำลายฟูมปากเออมีแต่จะกัดคนลูกเดียว หมาที่ไหนไม่ได้ตัวใหญ่ตัวเล็กไม่ว่ากัดดะไปหมดเลยอันนี้เลย่องหมาบ้านะมันเอมันเป็นบ้านในใจมันไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรอไปเพศอย่างนี้ถ้าว่าเจ้าของไม่มีคุณธรรมก็ฆ่าทิ้งอถ้าไม่ฆ่าทิ้งก็ถ้ามันหลุดออกจากมือไปแล้วครับไม่รับเป็นเจ้าของเพราะมันไปกัดคู่คนเข้าไปเลยโทษหนักเลยทีนี้หมาใครฮะ ต้องรับผิดชอบต้องเสียค่าใช้จ่ายให้เขาอีกต่างหากเนี่ยแหละอันนี้การอยู่ด้วยกันอย่าเป็นประเภทหมาบ้าต้องรูปต้องมองเหตุมองผลมองสูงมองต่ำมองรอบด้านแต่ละคนมันมีสตย์สถานะไม่เหมือนกันการอยู่การฉันการเป็นอยู่การไปการมาเราต้องมองอีกผลหลักของพุทธศาสนาไม่ได้ท่านไม่ได้ถือลวด ตีลวดกวดเพียงทั้งหมดขนาดพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาก็ยังลดงดลงอุโบสถยังวันอุโบสถวันเนี้ยถ้าพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมายกยกเว้นไม่ลงอุโบสถเพรายอะไรต้อนรับพระเจ้าแผ่นดินทำไมพระพุทธเจ้าพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นมนุษย์เหมือนกันมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันทำไมจะให้ความสาคัญถึงขนาดนั้น แสดงว่าพระธรรมวินัยเนี่ยด้อยใช่ไหมอ่อนข้อใช่ไหมใ ห, ให้ความสําคัญมนุษย์แมีกิเลสอยู่พระเจ้าเป็นดินก็ไม่ใช่ว่าจะหมดกิเลสเป็นพระรหันเมื่อไหร่ยังให้ความสําคัญแก่ผู้มีกิเลสอยู่อย่างนั้นใช่ไหมอันนี้พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติวินัยขึ้นมาท่านให้รู้จักการส ถ, ถานที่บุคคลบุคคลเช่นไรบุคคลอย่างไรบุคคลประเภทไหนควรจะให้ความ สำคัญในการเป็นอยู่ในกลุ่มนั้นๆในยุคนั้นๆนี่แหละอันนี้ก็คือ<ม>ครูบาอาจารย์หรือคณะสงฆ์หรือค ณ, ณะกลุ่มคณะหรือคณะสงฆ์ให้ความสำคัญนี่แหละอันนี้การอยู่ด้วยกันของพวกเราก็เช่นเดียวกันการอยู่ด้วยกันก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันท้อยทีถ้อยอาศัยกันมันมีผิดมีถูกด้วยกันทั้งนั้น แต่หลวงพ่อพูด่ฟันธงลงไปเลยว่าถ้าองค์ไรก็ตามที่อยู่ในใต้ปกครองของหลวงพ่อเนี่ยถ้าทําผิดถ้าทําผิดหลักพระธรรมวินัยเอผิดพระธรรมวินัยศินสองอยี่สิบเจ็ดหรือศิลอภิธรรมาจารย์ผิดในหลักพระธรรมวินัยหลวงพ่อจะฟันเลยไม่เลี้ยงเพราะนั้นคือหลักพระธรรมวินัยแต่ถ้าทําผิดกฎระเบียบเนี่ยหลวงพ่อจะต้องเรียกมาตักเตือนซะก่อน เพราะการอยู่ด้วยกันต้องมีกฎต้องมีระเบียบต้องบอกกล่าวซะก่อนบอกว่าอย่าทำอีกนะทําอย่างนี้มันผิดเพราะยานอยู่ด้วยการเป็นหมู่เป็นคณะต้องรักษากฎระเบียบแต่ถ้ายังไม่ฟังยังไม่ยอมฟังนั่นล่ละองค์นั้นก็จะต้องพิจารณาให้ออกจากหมู่คณะอีกเหมือนกันเพราะอะไรเพราะไม่อยู่ในกฎระเบียบไะแต่อันดับอันแรกอันดับแรกก็คือพระธรรมวินยัย ถ้าผิดพระธรรมวินัยนั้นผิดศีลนั้นไม่ได้เพราะมันเป็นการเหยียบย่ํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติมาแล้วพวกเราต้องเคารพต้องบูชาในพระธรรมคําสอนตุปัตภวินัยแต่กฎระเบียบนั้นรองลงมาการอยู่ด้วยกันต้องมีกฎต้องมีระเบียบ เ, เวลาไปบิณธบัตต้องไปบินธบัตตมาฉันเวลานั้นนะตัวเองก็ไปใช้สาย อ, อ, อย่างที่ อย่างยกตัวอย่างเช่นเอาหมู่ไปบินทบาทในบ้านตัวเองขี้เกียจไปบินทบาทไปบินที่หน้าวัดก็ได้หรอกแต่ทั้งที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเอยเพียงแต่ว่าขี้เกียจไป น, นั่นแหะมันผีกมันผิด ก, กฎระเบียบเลยจนะ่เราก็ต้องเตือนเอ้ยท่านไปบินทบาตทจะนี่ไม่ได้นะหมู่ไปบินทบาทในบ้านท่านไม่ป่วยไม่ไข้ไม่มีอะไรทําไหมท่านจึงมาบินทบาทตรงนี้ไม่ได้นะอย่าทาําอีกนะถ้าขืนทํำไ้ไปไล่ออกจากวัดนะ ลักษณะอย่างนี้อันนี้คือชี้ตัวอย่างให้เห็นชัดๆว่าทําผิดกฎระเบียบมาแต่ว่าไม่ผิดธรรมพี่นายผิดไหมไม่ผิดพี่นายทุกพระวินัยไม่มีอะไรที่จะเอาโทษได้นะแต่ว่าผิดกฎนะแต่ถึงอย่างไรก็ตามการอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะก็ต้องอยู่ในกฎต้องอยู่ในระเบียบมิใช่มาตัวเองขัดข้องมองใจไม่สบายใจขึ้นมาเอามีบัตรชนถอกมีบัตรชนเทมีอะไรออกมา แฉออกหมูออกมาทำไมไม่ออกมาพูดถ้าทำอย่างนี้เสียการปกครองเสียการปกครองมูอยู่ด้วยกันไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ฝากไว้กับทุกคนทั้งคารวาส ด, ด้วยทั้งพระสงฆ์ด้วยการอยู่ด้วยกันต้องมีน้ำใจต้องมีเมตตามีกา ร, ารเอือ้อเฟื้อเอือ้ออารีกันไม่ใช่เราจะอยู่คนเดียวถ้าอยู่คนเดียวไปอยู่สิแล้วมาอยู่ทาไมอยู่ในโลก ถ้าอยู่ในโลกก็ต้องเห็นไงเห็นคู่เห็นคนหูหนวกตาบอดคาขุดขาด้วนเห็นคนโง่เห็นคนฉลาดคนขี้ไล่ขี้เล่จากนั้นจะเห็นหมูหมากาไก่เห็นใส่เดือนเห็นกิ่งคือเห็นคางคกจิงจบตุกแกมันทำไมเป็นอย่างนั้นอผลที่สุดตัวเองก็จะอักวอกแตกอยู่ทั้งวีทั้งวันถ้าไม่จัดว่าโง่เราไปจัดว่าอะไรม่ต้องรู้จีว่า คนโง่ก็มีคนฉลาดก็มีคนรอบคอบก็มีคนไม่รอบคอบก็มีเฮ้คนมั่งมีสีสุกก็มีคนรวยก็มีคนจนก็มีฮช้างก็มีม้า ก, ก็มีหมูหมากาไก่จริงจบทุกแก่มันสัตว์ในโลกมันมีด้วยกันมันมีมากมายแต่เราจะวางตัวอย่างไรถ้าเราไม่อยากจะมาเกิดเราก็ภาวนาสิเฮ้ภาวนาทั้งวีทั้งวันแล้วจะไปแบกอะไรจะไปดูทําไมข้างนอก พุโทโธพุโทโธพุโทโธอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจากนั่งกับจิตใจจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสพระพุทธเจ้าหนีไปแล้วเห็นไหมทําไมไม่ดูพระพุทธเจ้าพระอรหันตทศสาวกเราทําไมนี่จะพหาดูกับสิ่งที่มันอยู่ในโลกนะมันมีมากมายทําไมจะมองอย่างนั้นเราต้องมองอีกมุมหนึ่งสิยังไงตัวข้าพเจ้าจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสข้าพเจ้าจะพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสาร ข้าพเจ้าจะไม่มาเวียนไหว้ตายเกิดอีกอทางว่าข้าพเจ้ามาเวียนไหว้ตายเกิดมาเกิดอีกคงจะเห็นอย่างนี้อีกนะ <spirituality. S 1> เอเห็นโ ง, ง่คนโง่เห็นคนฉลาดเห็นโตโตเตะเ ต, ตะเห็นออย่างพวกที่เห็นเนี่ยที่มันพึ่งปาถนาเนี่ยนะไม่ต้องเห็นอีกอาจจะกว่านี้ก็ได้อนะเราต้องคิดอย่างนั้นเพราะนั้นให้พวกเราสรุปแล้วจะให้ภาวนานะอย่ามาเกิดอีกถ้าว่ามาเกิดอีก ก็ต้องเห็นอย่างนี้จะตาหนิใครนะคุณแม่ชีแก้วกวาตัวหังเกิดเนี่ยเาตัวเกิดมาก็ต้องเห็นอย่างนี้จะเกิดมาสิให้หมดพ้นทุกเป็นพระรหันติจะมาเกิดทำไมถ้าเกิดมันก็ต้องเห็นอย่างนี้จะตาหนิใครตัวหังเกิะคุณแม่ว่าเพียงคำเดียวเทนะ่านั้นฟังๆดูสิคำว่าเราไม่เกิดสิ่งอย่างเท่านั้นะหอทุกอย่างก็จบ ถ้าเรายังเกิดอยู่เนะี่ยจะต้องเห็นอยู่ในวัฏสงสารเนะเห็นไปหมดทุกอย่างนะนอนหลับพอนอนโมทนาให้พอ